พระยี่สิบสี่ลงมาชั้นยี่บสองนาคเก้านาคมาจากมหิดลนักศึกษาแพทย์บวชภาคฤดูร้อนปีห้าสิบสี่พึ่งเข้ามาเข้ามาเมื่อวันที่สามเข้ามาวันที่สามแล้ววันที่สิบสามจะบวชวันที่สิบสามมีนาห้าสี่จะบวชบวชที่วัดของเราเนี่ยแหละปีนี้มีนาทั้งหมดเก้าเก้านาค นักเรียนนักศึกษาแพทย์ตามไม่จริงนักศึกษาแพทย์ชั้นปัญญาชนเกี่ยวกับชีวิตพี่พน้องประชาชนหลวงพ่อว่าน่าจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจิตใจสักก่อนทําใจมีธรรมะทําอะไรมันมีเหตุมีผลถูกต้องทั้งหมดถ้าใจขาดธรรมะแรงธรรมะไรธรรมะแรงธรรมะทําได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่าง เพราะใจไม่มีธรรมะนะมันคิดได้ทุกอย่างถ้าใจมีธรรมะคิดก็อยู่ในกรอบเขาเราถูกต้องไม่เป็นถูกต้องควรไม่ควรคนที่มีธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นจะพูดออกไปก็เขาเรากระทบกระเทือนไหมเป็นธรรมไม่เป็นธรรมพูดออกไปก็เหมือนกันคนที่มีธรรมะในจิตใจแล้วจะคิด จะทำจะพูดก็ต้องรอบครอบออวันนี้เป็นวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2554หลวงพ่อได้ออกจากวัดไปดูแลองค์หลวงตาตั้งแต่ท่านอาพาธตั้งแต่วันที่16 16พฤศจิกายนพุทธศักราช2553 แต่องค์หลุงตาอภาษฐ์วันที่ที่ฉันจะหันไม่ได้วันที่สิบห้าพฤศจิกายนหลวงพ่อก็ได้เข้าประชุมวันนั้นเพราะหลวงพ่อไปทอดผ้าป่าที่พี่มามยกลับมาทางหมอไดมาร่วมประชุมกันที่วัดป่าบานตาดวันที่สิบห้าหลวงพ่อกลับมาวันนั้นก็สามสี่ห้าทุมเหมือนกันพอตอนเช้าฉันจะหันเสร็จหลวงพ่อก็ ออกไปหลกขนบริการออกไปก็ไปพักตั้งแต่วันที่ส6หพฤศจิกายนมาวัดก็ามาเพียงประเดียวประดาบางทีก็คืนสองคืนมาจัดงานมาจัดค่าใช้จงค่าใช้จ่ายรีบเสร็จได้ก็รีบกลับป้นปอเป็นห่วงหลวงตาเพราะป่วยคราวนี้หลวงพ่อในใจหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นแล้วมั่นใจเลย ว, ว่า หลว ง, งตาคงจะเ อ, อไปเรื่อยๆของท่านจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลงไปกรุงเทพด้วยกับองค์หลวงตาไปนอนอยู่หเจ็ดวันไปอยู่เจ็ดแปดวันจากนั้นกลับมาหลวงพ่อก็กลับขึ้นมาอีกมาอยู่กับองค์หลวงตาจากนั้นท่านก็ได้ทั้งแพทย์ทั้งหมอทุกหมู่เหล่าพยายามรักษาสุขภาพหลวงตาดีที่สุดที่หลวงพ่อเห็นมาไม่มี ครั้งไหนที่หลวงพ่อจะได้เห็นที่รักษาแพทย์หมอดีขนาดนี้แต่ก็พญาธิมรณะเนี่ยไม่ได้เลือกผู้ใดพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานท่านก็จึงได้ละได้ทิ้งธาตุขันของท่านองหลวงตาของเราเนี่ก็รักษาทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ท่านก็มาละทังขานเมื่อวันที่สามสิบ มกราคมพุทธจักราศ 2,554 เวลาตี3 53นาทีหลวงตาละสังขารในวันนั้นแล้วก็มีพระเข้ามาอยู่ในห้องของหลวงตาเต็มหมดทั้งพระธถระผู้ใหญ่ทั้งพระในวัดจนล้นห้องที่เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่รุ่นเก่าที่เข้ามาท่านทราบ เพราะว่ามีแพทย์บอกว่าสุขภาพลงตาคงจะเป็นยังไงพอความดันลงต่ำๆนั่งฟังนั่งดูวงหลงตาจนทีวีจอลรถรลลงถึงหกสิบจากนั้นก็ป๊อกไปเลยพอป๊อกไปเลยปิดปิดๆิ ด, ดเครื่องบอกอาจารย์หมอเขาไปตรวจตัวหัวใจหยุดแล้วแต่ว่าลูกตาไปแล้วดูนาฬิกาก็ได้เวลาอย่างที่หลวงพ่อได้บอก จากนั้นพระก็เข้าไปทําความสะอาดองค์หลงตาจากนั้นก็ได้ปรึกษากันในงานศพจะดําเนินการอย่างไรต่อไปหลวงพ่อก็เข้าเต็มตัวแล้วทีนี้เข้าไปแบบถามกับหมู่กับเพื่อนพระเถระอนุเถระพระทุกองค์หลวงพ่อปรึกษาปาร็กกันทั้งหมดอการจัดงานไม่ใช่งานเล็ก แต่ก็สรุปแล้วออกมาเมื่อวันที่5ออกมามาวันที่5มีนาคมพุทธศักราส2 5พัเป็นวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จแล้วก็ทูลกระหม่อมเสด็จแล้วก็นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสรุปแล้วก็คือทั่วประเทศ ให้ความรักเคารพในองค์หลวงตาทั้งสูงทั้งเบื้องสูงเบื้องต่าตั้งกลางพี่น้องประชาชนเข้ามาเคารพสักการะดูการต้อนรับขับสู่รู้สึกฝ่ายพระสงฆ์ไดเป็นหมื่นก็มีสมเด็จวันนั้นมาสามสมเด็จทั้ฝ่ายพระสงฆ์แล้วก็มหาเทรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะภาคทุกภาคที่เข้ามาพระสงฆ์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วก็ พระสงฆ์มาเป็นหมื่นบอกว่าเป็นหมื่นกว่าของทายธรรมของเราก็เตรียมพร้อมเป็นกดังกดังแปลว่างานของหลวงตาของพวกเราเทําไปแล้วหลวงพ่อในนามคณะสงฆ์เป็นสิทธิท่านหนึ่งในบรรดาสิทธิหลายร้อยหลายพันองค์ในองค์หนึ่งในหลายพันองค์หลวงพ่อเห็นภาคภูมิใจอย่างมากที่จะเห็นงานองค์หลวงตาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น อุปสรรคก็ต้องมนะีงานทุกงานใหญ่ทุกงานก็ต้องมีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้งานของเราเสียหายพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้วาราชาการจังหวัดร้รองไม่ทับภาคแล้วก็ผู้บัญชาการภาคผู้การจังหวัด ต, ตำรวจรองผู้การทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่ายืกมือเข้ามาช่วยองค์หลวงตาด้วยความเต็มใจเห็นและเต็มใจไม่ใช่ว่าทำแต่สักก็าทา พลังงานหลวงตาออกมาทั้งรถที่จะจอดเป็นเป็นพันๆหมืน่มนๆคันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินบวนอยู่บนอากาศวัดจุดไหนที่ที่จอดรถจุดไหนที่มันยังพอว่างโทรลงมาบอกล ง, อบอลงมาให้ไปจอดบอลลงมาให้ไปจอดให้พี่น้องประชาชนเขาจุดจุ ด, จดนั้นจุดนั้นจุดนั้นตำรวจที่ออกมาจากกองบัญชาการภาคสีทั้งมดทั้งสี่พันนาย ถ้าจะเอามาช่วยในงานหลวงตาทั้งทหารเนี่ยหลงพ่อไม่ไม่ไม่รู้ยอดแต่ตำรวจเข้ามาโอ้โหเห็นแล้วก็นั่นอนะ่ะผู้บัญชาการภาคท่านมาบัญชาการเองเลยเพื่อนรักษาความปลอดภยัยเกี่ยวกับในรั้วในวงังเนี่ยหลวงพ่อเห็นข่าวต่างๆสื่อต่างๆทุกสื่อทั้งว่าสื่อไหนก็ตามที่ไม่เอาลงตาไปลงในในประเทศไทยไปว่าสื่อนั้นไปว่า ลาสมัยเหมกันไม่ทันเหตุการณ์พูดกันได้เพราะฉะนั้นทุกสื่อเขาก็อยากจะให้ทันทันเหตุการณ์ป้อนวัตถุเข้าสู่พี่น้องประชาชนให้ได้ศึกษาเห็นแล้วก็สื่อต่างๆแต่หลวงพ่อก็เดินการให้สัมภาษณ์วันนานๆจะให้สัมภาษณ์ทีหนึงแต่เขาก็จะเน้นมหาหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลักอยากจะสัมภาษณ์แต่หลวงพ่อก็แต่งตั้งพัน อาจารย์ท่านอะไรสามสีหองค์ให้เป็นผู้รับภาระเป็นรับหน้าที่เลยในการให้สัมภาษณ์ข่าวต่างๆเพราะว่าถ้าจะให้องค์นั้นก็ให้สัมภาษณ์องค์นี้ก็ให้สัมภาษณ์มาถามหลวงพ่ออินหลวงปู่ินก็ให้สัมภาษณ์ผลที่สูบมันก็คงจะสดุดแข้งสะุดขากันลบดเนรนาศหรงทอบมกหลวงพ่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นคําว่าอยากได้หน้าอยากได้ตาอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงในงานของหลงตาลอย่าได้มี คืออยากได้บุญเท่านั้นคิดให้ดีทำให้ดีพูดให้ดีในงานหลวงตาสิ่งไหนที่ดีที่สุดควรจะเอาสิ่งนั้นมาบูชาพระคุณหลวงตาคิดว่าจะหักลักหน้าหักหลังหักซ้ายหักขวาไม่ควรจ ะ, จะมีในงานหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์โลกเป็นผู้เสียสละจริงๆเราจะไปคิดไปทาไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ใช่ลุกสิทธิ์ของหลวงตา ถ้าใครคิดอย่างนั้นแปลว่าเป็นเทวทัศน์ของหลวงตาหลวงพ่อวายอย่างนั้นนะเอจากนั้นก็งานถึงไปตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดอย่างเนี่ยอย่างในวัดของหลวงพอ่งพอหลวงพ่อให้แนวความคิดประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านที่ห่างที่ไม่ได้มาในงานหลวงพ่อก็มีคนทวงติงมาเออหลวงพ่อน่าจะพูดผู้ที่สูงอายุนั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ทุกวี่ทุกวันในหะลวงพ่อนะ หลวงพ่อเออเอาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดไม่ได้ใช่หลวงพ่ออยากจะดังนะมีคนขอร้องขอมาแล้วก็แนะนําที่คําพูดไหนที่หลวงพ่อพูดไม่ถูกเนี่ยกล้ำกล้ำหลวงพ่ออย่าไปพูดกล้ำที่หลวงพ่อถ้ากร้ำกร้ำธรรมดาเออเหมือนกับธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยเอทออร์รอ่ะอย่าไปว่าอย่าว่าทรัมไม่ได้นะหลวงพ่อนะเออใจใจใจใจเนี่ยเนยอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเป็นป่าทั้งรุ่นนะ คณะทายาตทยมพูดออกอากาศหลวงพ่อไม่อายมันเป็นป่าทังรุ่นจริงๆจงไนะไหวไงบอกความรู้ของหลวงพ่อกเพียงปอยสี่แต่หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังเ่า ก, การที่จะเรียนทางโลกนะนะั้นจะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่วิชาทางโลกเป็นถึงเยอะแยะแต่หลวงพ่อเน้นเรื่องของหลวงพ่อเองหลวงพ่อเนี่ยบวชมาอายุส1บเ็ดบสอปีบวชในพระพุทธศาสนาบวชแล้วก็ศึกษาธรรมะดูใจของตนเองตลอด เรื่องหนังเสือหนังสือกฎหมายบ้านเมืองวิธีการเกษตรวิธีการลบการพูดวิธีการอสอนวิชาอาชีพต่างๆหลวงพ่อไม่ได้สนใจสอนหลวงพ่อสนใจเรื่องธรรมะเรื่อง จ, จิตใจใจเราคิดยังไงเราทํำยังไงเราพูดยังไงมันจริงถูกต้องเพราคิดเนี่ยฟังความคิดเราจะคิดยังไงแต่ละวันนี่แหละสอนวิชาความคิดตรงปู่หล้าท่านสอนสอนให้หลวงพ่อเป็นสามเณรเป็นเนนอยู่แปดปีให้เป็นพระอีก เดี๋ยวเนียบวชปีศูนย์แดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ทุกหลานอายุหกสิบหกปีพันษาสี่ิบหกแล้วนะหลวงพ่อบวชมาบวกแปดเขาอีกบวกเน้นเขาอีกเป็นเท่าไหร่ห้าสิบกว่าปีชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าหลวงพ่อยอมรับได้ทั้งหมดที่เขาแนะนํามา เ, เพราะหลวงพ่อไม่รูเ้เมื่อรู้แล้วจะไปทําทํำไมเพราะวิชาทางโลกมีตั้งเยอะแะภาษาหนังสือมีตั้งเยอะแยะไป อย่างเมื่อวานกับหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าไปพูดนาะเมรุเมรุนะเอา้าบางแห่งเราก็ไปก็เห็นว่าเมรุก็มีนะเออแต่บัดนี้รู้แล้วนะประกาศให้ลุกทุกคนรับทราบนะคําว่าเมรุนั้นะไม่ถูกนะพี่น้องนะลูกหลานนะเขาว่าเมนเมนเมนหลวงพ่อก็บอกอย่างนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อเขาไปอยู่จุดนั้นนะ่หลวงพ่อกับเนี่ยให้ฟังให้เข้าใจก็แล้วกันที่หลวงพ่อแนะนําอะไรออกไปเนี่หลวงพ่อทำด้วยเจตนาดี ดยความรักเคารพในองค์หลวงตาทําได้ทุกอย่างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อเขาไปจัดงานในคราวนี้ก็มีไหมหลวงพ่อที่สิ่งที่คนไม่พอใจไม่พอใจโอ้มีตั้งเยอะแยะไปแต่ออกมาผลออกมาบวกลบคูณหารออกมาแล้วทั้งเบื้องสูงผู้ใหญ่ทุกระดับเขาก็ว่าหลวงพ่อเป็นหลักได้ดีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกัน ไปพระสงฆ์ที่พี่เป็นน้องๆพี่ๆน้องๆของหลวงพอ่อโดยมากจะเป็นรุ่นน้องจะมากกว่าที่ทํางานรุ่นน้องๆทั้งหลายก็ยอมรับว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลักให้พวกน้องๆพอได้ได้ดีพอสมควรถาายย้าไม่อางนั้ถ้าไม่มีหลักทำยังไงงานแต่หลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพ่งท่านก็แก่เกินไปที่ท่านจะจะพูดท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วมีแต่หลวงพ่อเนี่ยเขาไปยืนจุดๆนี่ก็ การที่ยืนขึ้นไปสูงไม่ต้องเป็นเป้าธรรมดาต้องเป็นเป้ากระสุนเป่ายางเสต็คเป่ายานูเป้าปืนเขาก็ต้องเป็นธรรมดาแต่หลวงพ่อไม่แข่หลวงพ่อทำเพื่ออะไรททำเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแต่สิ่งที่ไหนที่มันไม่ไดีเอ้าบอกมาผมยินดีข้าพเจ้ายินดีอาตมายินดีที่จะประปับปรุงแก้ไขจุดนั้นถ้ามีเหตุผลนะถ้าไม่มีเหตุผลไม่เ อย่างใกล้ๆงานเข้ามาหลวงพ่อควรจะพันเออไม่ได้งานถึงขนาดนี้เราไปชุมกันแล้วจะมาหักศอกเร็วๆไม่ได้เอหมาหัวถล่มเลยเหมือนหมาลายกระต่ายหมากระตายวิ่งวิ่งปุ๊บปๆ๊บปุบหมาก็วิ่งอย่างแรงไงพ่อกระตายหลบศอกเท่านั้นน่ะหมาถล่มไปที่ไหนนี่ก็เหมือนกันงานของเราอเมื่อตกลงกันแล้วอย่างนี้แล้ว เราจะมาเปลี่ยนปุ๊บเร็วๆมันไม่ได้พวกท่านทั้งหลายใช่มันถูกต้องแต่มันเปลี่ยนไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องเลยตามเลยไปก่อนเอาอย่างนี้ละนี่คืออย่างนี้นะหลวงพอดจะต้องตัดสินใจในในเรื่องงานที่เขามาปรึกษาทุกเกือบทุกประเด็นจนถึงวันสุดท้ายการเคลื่อนย้ายศพทำยังไงปัญหาก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันควรจะให้พระย้ายคนจะให้โยมย้ายคนจะให้ใบกใครแบกสรีระขององค์หลวงตา หลวงพ่อก็จับไม่แล้วนะันนันพวกผู้สีข่าวหรือใครทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาว่าหลวงพ่อใช้มาตรการเด็ดขาดพอสมควรในการพูดก่อนยศนะทำนะเอาไปนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเนี่ยทาได้ทุกอย่างนะเพื่อหลวงตาทิ้งขาวพูดเด็ดก็ต้องพูดให้เสียงดังฟังชัดเด็ดขาดลงไปแต่จับไม่ได้แล้วหนะลวงพ่อก็พูดพูดพูดตรงใ น, นที่อ่อนก็อ่อน วันนั้นทูลกระหม่อมเป็นผู้นำเสด็จโดยนะอพอย้ายทรงจากสระอันดับแรกเอาให้พระสงฆ์วัดป่าบ้านตาให้สิทธิ์พระสงฆ์วัดป่าวัดตาเป็นผู้ย้ายศพองหลวงตาอันดับที่สองตอชะลอใส่ชุดขาวแต่จะให้พระสงฆ์แบกองหลวงตาไม่รู้ผ่าจีบอลไม่รู้ผ่าสังขาไม่รู้ใครจะเหยียบผ้าจีบอลกันไม่รู้ใครจะเหยียบผ้าสังขาติกันดัมาลุมมัตุ้มมาลุมมันตุ่มเดี๋ยวก่นเออ แย่งกันแบกกันหามอีกดูแล้วเป็นภาพปกะมาทที่ไม่ไม่ถูกต้องนะเอา้าให้พระถ้าพระไม่มีส่วนร่วมส่วนส่วนร่วมส่วนทำซะเลยก็ไม่ดีเอาพระเป็นผู้คนย้ายออกมาองค์ศาธีลัขององค์ตาก่อนที่จะทํากัคาระวะสะกอร น, นะอค า, าระวะถึงสามจุดปอราพร ะ, ยะเอยอะเกิดกลายจากรรมวิจีกรรมมนโนกรรมพวกขาประยาวทั้งหลายได้ประมาทพัดพัง พ่อแป่ครูบาอาจารย์ก็องคหลวงตาเมตตาให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วยเรขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขพะพละผู้ที่มาก็ข อ, ขอให้เดินทางด้วยความราบรื่นที่อยู่นี่ก็อย่าให้มีอุปสรรคได้ไดๆการบา ร, รมีของหลวงตาคุ้มครองเมื่อกลับไปก็ขอบา ร, รมีหลวงตาคุ้มครองบา ร, รมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บารมีหลวงตาที่ได้บำเพ็ญมาอมากต่อมากยาวนานจนถึงได้สําเร็จมรรสําเร็จผลหลวงตาเป็นชาติสุดท้ายของหลวงตาแล้วหลวงตาจะไม่มาเกิดอีกแล้วพวกเรามาส่งสรีระขององค์หลวงตา เ, เข้าสู่พระราชฐานเพลิงขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองคระชิตญาณุชิ์ลูกหลานทุกคนทั้งไปทั้งกลับทั้งอยู่อ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคนานาประการและก็ขอให้พวกเราประสบอยุวันสุขภาละดวงตาเห็นธรรมในที่จุดโดยเทิดอันนี้คือคำคารวะองค์ดวงตาจากนั้นก็คารวะทั้งสามครั้งพราพระสงฆ์มากพระสงฆ์หมื่นกว่าองค์อแต่วันลงโบสดวันก่อนเมื่อวันที่สี่เช้า ว, วันที่สี่ลงโบสถทั้งสี่พันกว่านั่งอุโบสถที่ใต้ถุนจารา พระสง์สี่พันกว่าลงอุโบสถแต่วันนั้นจริงๆเ่หมื่นกว่านี่อันนี้หละคืองานไม่มีงานไหนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานลวงตาเพราะเหตุใดเพราะงานหลวงปู่เทพกว่ายิ่งใหญ่แต่คนสมัยนั้นการสื่อสารและการคมนาคมไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้งานหลวงปู่ฟั่นก็เหมือนกันอันนี้มาทั่วสารทิศ อ, อินโดมาเลสิงคโปร์ อเมริกาอังกฤษมาหมดที่ล็อกลักขาลบในองตาเพราะวิทยุโทราทัศน์ขององตาเนี่ยอินเทอร์องงเน็ตขององตามันก็จายไปทั่วโลกแค่คำ er ว่า ว, าวันป่าบรนดาองตาดอ com อมนั่นแหละเขาจะฟังเทศธรรมเทศนาขององตาไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งหลังไลกันมาเนี่ยนะคนจะได้มากถึงขนาดนี้คนเป็นหมื่นไอ้คนเป็นล้านเนะี่ยล้านกว่าหลวงพ่อว่านะ แต่ไม่มีใครนับหรอกว่าประมาณการแต่มันเต็ไมไปหมดทุกแห่งทุกคนจนเข้ามาไม่ได้ฮะนี่แหละอันนี้คือคืองานยิ่งใหญ่อที่สุดเพราะนั้นลูกหลานฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็หลวงพ่อก็จัดการให้บวชเพอาะเห็นตัวอย่างหลวงปู่ลีหลวงปู่ปลีที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงปู่ลีกุชละทโรเนี่ยอท่านบวชในงานหลวงปู่มั่นปูริชโต ท่านจะเป็นตาปะกขาวแย่งเข้าไปเอามือเข้าไปยกศพหลวงปู่มั่นออลงมาจากศาลาจากนั้นท่านก็บวชก็ทั่งบัดนั้นถึงบัด น, นี้อายุปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองและเก้าสิบสามมาเือนกุมภาจากนั้นท่านบวชมาก็ะทั่งก็อยู่ตระทั่งทุกวันนี้เพรา ะ, ะนั้นเราเห็นจุดนี้น่ะคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกห า, าพระผู้ใหญ่เห็นจุดนี้นะควรจะนํากุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวช ในงานศพองคหลวงตาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานฝังเข้าสู่ฝังเข้าสูจาส่จิตเข้าสู่ใจว่าข้าพเจ้าเราบวชในนามขอ ง, งองค์หลวงตาได้กราบชฎีระองคหลวงตาและบวชในงานองคหลวงตาคณะสงฆ์เป็นแสนๆหมื่นๆเป็นหมื่นๆเข้ามาร่วมงานาแลเราเราได้บวชในพระทศาสนานหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นทายาทแทนที่ กับองค์หลวงตาตลอดไปเหมือนกับหลวงปู่ลีเป็นทายาทของหลวงปู่มั่นอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อจึงได้ยอมให้พระสงฆ์ทั้งหลายจัดการบวชขึ้นมาสองร้อยห้าสิบองค์บวชในคราวนี้นะแล้วก็นี่แหละมาวัดของเราหนะึ่งถามว่ามาแปดเก้าองค์มาอยู่ที่นี่แล้ว ก, กระจายกระจายกันไปสุดแท้แต่ใครจะสมัครไปวัดไหนอไปนะถ้าวัดป่าวัดตาดมากเกินไปก็ควรจะขยายไปอีกวัดอื่นอีกนะ ให้ช่วยๆกันดูนะพระกรรมการพระน้องๆลุงๆโดยมากก็มีแต่พวกน้องของหลวงพ่อแต่ในเมื่อวันที่เช้า ว, วันที่หกเช้ามืดวันที่หกโกนิมุลเจ้าคุณอุรมญาาโมรีกับคณะสี่รูปมาทำสามหาบที่เมรุหลวงตาแต่ตามไปยิงอธิษฐานของหลวงตานั้น อ, ออกมาตั้งแต่ตีสามกว่าๆ อ, ออกจากเมรุพอใเราออกอะไรไ เวลาชักปุอ๊ออกมาร้อนๆเนี่ยเขาก็มีสเตนเลสครอบกุ๊บใส่กุญแจแปดดอกสองข้างและสี่เดี๋ยวนี้ลูกุญแจยังอยู่น้ำกับหลวงพ่อเนี่อีกดอกหนึ่งนะในแปดดอกนะั้นเขาจะ ก, กระจายให้พระเทเรพุทธเป็นผู้ถือกุญแจนี่ก็คื อ, เ, อเรื่องอธิธาต์ขององตาเดี๋ยวนี้ก็เอาไว้ที่กุฏิล่องตาดเดี๋ยวนีก็วันที่สิบสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยพวกเราจะเข้าไปไประชุม เข้าไปไประชุมเสร็จแล้วก็จะแบ่งอธิธาต์องค์หลวงตาไปไว้ตามวัดต่างๆแต่ส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้เพื่อสร้างพระเจดีย์เพื่อเอาไว้ในพระเจดีย์เพื่อให้คนได้กราบได้ไหว้อันนั้นคือพระเจดีย์อีกส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้สําหรับผู้ใหญ่ที่รักเคารพให้องค์หลวงตาที่เป็นญาติผู้ใหญ่เก่าแก่ของหลวงตาอันหนึ่งเราก็จะแจกให้แก่วัดต่างๆ น, นี่คือวันที่สิบสิบ หลวงพ่อคงจะเข้าไปอีกวันที่สิบเอ็ดแกกจากนั้นก็จะได้ถามพระที่วัดป่าบรรดาศพระอาจารย์สุดใจผู้ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวาวนวันก่อนบอกว่าถ้าว่างานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็จะได้ถามถามในนามคณะสงฆ์ที่ผู้จัดงานคือพี่น้องด้วยการจัดงานเมื่อจัดงานผ่านไปแล้วเป็นยังไงนี่ศีลมีไหม เนีเพราะว่ามันได้ใช้จะตุปใจัยมากคันนงคันนาที่ไปจอดรถของเขามันก็จะต้องได้ออเารถไถไปปรับพอปรับเสร็จแล้วก็จะต้องปานคันนาแทนให้เขาแล้วก็ค่าใช้จ่ายมียังไงมันต้องมีทั้งหมดเนี่ยทั้ง่าน้ําข้าวไฟค่าท่านอรมอีอะไรต่อมีอะไรมันจะตามเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อก็จะเข้าไปถามนี่แหละกับคณะสงฆ์น้องหนุง่งทั้งหลายงาน เออเป็นไงงานรูดวงไปได้ไหมเงินเพียงพอไหมเพราะลวงพ่อไม่ได้พูดหรือไม่ได้สนใจเรื่องการเนี่ยเพราะหมอกเป็คณะกรรมการไปเลยเป็นผู้ดูแลจากนั้นก็เข้าถามเสร็จแล้วก็คงมีอะไรก็จะได้ลงคันกันอีกถ้ามันเป็นหนี้สินถ้าไม่มีหนี้สินแล้วก็ไปว่าผ่านกันไปแปลว่าจบไปศูนย์ทองคําเข้าคลังหลวงนั้นตามพินัยกรรมหนังสือทุกเล่มเนี่ยก็จะต้องพิมพ์พินัยกรรมใส่ ในหนังสือแจกในพินัยกรรมนั่นก็คือเนี่ยหลวงพ่อในองค์หนึ่งที่ลงตาเขียนลงพินัยกรรมในพินัยกรรมนั่นก็คือเนี่ยหลวงพ่อในองค์หนึ่งที่ลงตาเขียนลงพินัยกรรมหลวงปู่ฟักแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ท่านปรราัญญาท่านอาจารย์บัรชัยท่านสุดใจเดี๋ยวนี้ยังเหลือพระพระอยู่สามองค์คือหลวงพ่อกับท่านบัรชัยกับท่านสุดใจ <S <S ส่วนอาจารย์ฟักก็ผ่านไปแล้วตายไปแล้วมรณภาพแล้ว ท่านปัญญาของมรณะภาพแล้วยังเหลือพลาดอยู่สามรวมแล้วเป็นเก้าคนที่รักษาพินัยกรรมหลวงตาบอกว่าเมื่อเราผ่านไปหรือมรณะภาพลงหรือตายไปคนที่มาทำบุญในงานศพของเราจะมากน้อยอย่างไงให้รวบรวมจะตปัจจัยทั้งหมดที่มาทำบุญ ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดอย่าน e ําเงินนั้นมาใช้ในงานศพของเราศพของเราเผาด้วยไม้อย่าเอาเงินมาเผาอย่าเ <ๆ S 2> อาเง <y quant year dling> ินมาถลุงสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อประเทศชาติให้ทําสิ่งนั้นเอาเงินเข้าซื้อทองคําเข้าคังหลวงทั้งหมดเพราะคังหลวงทองคำนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นหลักของประเทศชาติต่อไป ชาประเทศไหนมีทองคําอยู่ในคลังมากๆประเทศนั้นก็จะล่มสลายไม่ได้เพราะเป็นหลักประกันในลงตาท่านคิดมากขนาดนั้นคิดถึงพวกเราพวกเรานั้นพวกเราทีนี่รวบรวมจัดไตหลวงพ่อก็เลยสั่งตู้เซฟมาเลยทีนี้สั่งตู้เซฟเข้าม า, เ, าเป็นคําสั่งของหลวงพ่อหลวงพ่อว่าล่วงไหลไม่ได้เงินก่อนพ่อลงตาสั่งหลวงพ่อหลวงพ่อสั่งตู้เซฟมาถึงห้าสิบสามตู้นะตู้ใหญ่ๆหญ่ เกือบสองเม็ดก็มีเม็ดกว่ากว่าก็มีเต็มไปหมดเป็นพ Blo ืชแต่ขนาดนั้นก็ยังเต็มนะพวกเรานะเต็มเงินนะเออพอเทเปิดออกมาเนี่ยเป็นภูเขาเหล่ากอแล้วงันนะ้นเดี๋ยวนักกันนับกันนี่แหละนับเ่อเข้าบัญชีทราบว่าเงินได้วันที่วันที่ห้าวันที่สี่ที่ห้าที่หกวันที่วันที่สี่ได้ยับลดยับยอดแล้วสามร้อยกว่า30ล้านเงินสามร้อยกว่าล้าน แต่วันที่สี่ที่ห้าที่ทหกเนี่ยเขายังยังเช็คยอดไม่ได้เพราะในช่วงนั้นเขาปิดโทรศัพท์กันแต่โทรศัพท์เขาปิดหมดเพราะว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเสด็จเขาเลยปิดก็เลยโทรหากันไม่ได้เครื่องก็เลยไม่ได้เอาเข้าแต่ทองคํำตั้งแต่วันที่สามสิบมกรามาถึงวันงานไม่นับเมื่อวานมัน ก, นก่อนอีกเหมือนกันได้ร้อยกว่ากิโลเหมือนกั น, กนทองคํำที่เอาเข้าคลังดวแต่ว่า เดี๋ยวนี้ทองคำที่หลวงตาเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมด12ตันกว่าแต่ที่จะมอบเนี่ย12ตัน500กว่านี่ได้แน่ๆหลวงพ่อ500กว่ากิโลได้แน่หลวงพ่อโ อ, อ้ทางว่าได้13ตันก็จะดีเหมือนกันน่าแต่ถ้าหาว่าพี่น้องประชาชนฉัทรทายญาติโยมทุกๆหมู่ทุกเหล่าได้ยินว่าเอ้ยเรียก13เนี่ยเป็นเลขที่ไปไม่เป็นมงคล น่าจะเป็นส4บสี่ซะเนี่ยโอ้ก็ยิ่งดีใหญ่หลวงพ่อได้ส4บสี่ตันเข้าคลังหลวงจะเป็นประเทศชาติของเราจะได้มั่นคงแล้วตีออกมาที่สิบสี่ตันนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่บาทละสองหมื่นกว่านะสมัยหลวงพ่อทำสมัยก่อนบาทไดนะ้สี่พันสามพันกว่า4นะี่พันบาทหนึง่งทุกวันนี้สองหมื่นนั่นแหละหลวงตาท่านมองไกลมองยาวถึงขนาดนั้นนะพวกเราลูกหลานทุกคนวันนี้หลวงพ่อได้พูด ให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวความคิดประดับติปัญญาของลูกหลานแล้วก็พร้อม ก, กันกบเป็นการบันทึกไว้วันต่อไปอาจจะเลือนลางหายก็ได้ในการความจำของหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพยายามพูดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะแล้ววันต่อไปหลวงพ่อจะพยายามพูดในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาให้แก่ ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาการจัดงานขององค์หลวงปู่หลวงตามหาบัวนี่ยิ่งใหญ่อย่างไรอรัลพร